Book 2ูสิบห้าเบ็ดนัสผลไม้และอาหารโ o วตเซียอปุตราีดิฉันมีสตรอเบอรี่ ma มยาฮอ ดิฉันมีกีวีและแตงโมมามกีวี่อะเมลอนดิฉันมีส้มและเกรเปฟรุตมามป๊อปมารันช์อะเกรเปฟรดิฉันมีแอปเปิ้ลและมะม่วงมามยาเบลโกอะมังโกดิฉันมีกล้วยและสับปะรด มามบานานอะนานาสดิฉันกำลังทำสลัดผลไม้โรบิมอวอซนีาลาดดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งเยมโตสตดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งกับเนยเยมโตสตสมาสลอม ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งทานเนยและแยมดิฉันกำลังทานแซนด์วิชด<ม>ิฉันกำลังทานแซนด์วิชทานเนยเทียม ดิฉันกำลังทานแซนวิชทานเนยเทียมและใสมะเขือเทศเย็มแซนวิชม า, าร์การินอมอัปปาราไดโคลเราต้องการขนมปังและข้าวรรเราต้องการปลาและสเต็กเราต้องการปลาและสเต็ก เราต้องการพิซซ่าและสปาเกตตีเ e าต้องการอะ p a g e กไ t i เราต้องการแครอทและม j e ขือเทศสำหรับทำซุเราต้องการแครอทและมะเขือเทศสำหรับทำซุป ซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่ไหนยี yeah, <Super> ่สุปเปอร์มาร์เก็ตกรุณาไปที่ www. b o o k t o de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด